ก็ทวนสวัสดีค่ะท่านผู้ค่ะดิฉันขอนําท่านทั้งหลายเข้าครับบุคคลที่ มาตอบคําถามที่เราเรียกว่าเป็นการเปิดธรรมที่ถูกบิดด้วย 106 ครอบครัวข่าวมีดิฉันสรรณซีน่าพวงประจํารายการ ปฐาคคภาศิตหรือว่าเป็นผู้ท้วเจนะเนี่ยนะคะที่ท่านได้สรุปเอาไว้ใน 19 บอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอ ก็จะมีพูดถึงสมมุติว่าเอ่อเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ในที่เค้าแต่พระพระ หรือฟังเธอหรือว่าทํากับเธอตามไปรู้สึกได้ไงพวกนั้นมันหญ้าไม้เพราะว่าความรู้สึกว่าว่าแขนขาเราก็ได้สมมุติว่าเอ้ามัน ต้นไม้ใบไม้มันมันไม่ใช่ของฉันฉันก็ว่าก็เหมือนกันนะว่าถ้าสิ่งใดไม่ใช่ของเถอะเถอะ ในการที่จะไม่ยึดถือในสิ่งนั้นน่ะค่ะคือท่านมาว่าขอให้ละมันให้ได้ในสิ่งอืมละ เอ่อราวจะละได้หรือละไม่ได้เนี่ยมันต้อง คุณก็จะวางอะไรได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอันนี่เดี๋ยวเริ่มมีปัญหาและต่างหน้าที่มันอาจจะเป็นต้นเดียว 1 คุณต้องก่อนหน้า <devant. S 1> มีความหน่ายนะหน่ายนะหน่ายในที่นี้หมายถึงนิพพิทาคือคือไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อเซ็งนะแต่หน่ายพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเบื่อหน่าย หน่ายแล้ววางวางแล้ววางเลยนะคนที่จริงนะถ้าคุณเห็นตามจริงแล้วๆมันเป็นอย่างงี้ในไม้ไม้ๆมันเป็นอย่างงั้น เราเห็นอย่างนั้นแล้วเราจึงมีความหน่ายเพราะหน่ายแล้วเราก็คลายกําหนัดจะไม่มีความกําหนัดในเศษหญ้า ไอ้ต้นหญ้าต้นไม้มันค่ะอ่าตรงนี้นี่ค่ะเนี่ยค่ะเอ่อทีนี้มันอาจจะพูด รู้สึกว่ามีความสุขทุกวันเลยมีความสุขทุกวันเลยเดี๋ยวไปเจอเพื่อน ยังไม่เกิดความนายไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ 5-6 นาทีก่อนเนี่ยว่าคืองั้นฉันๆนะฝนตกใส่ผ้าแล้วก็อาบน้ําก็ นะในในในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราบอก น่ะไม่ใช่ว่าให้เราไปยึดถือใช่ว่าให้เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ มันจะมีปัญหาล่ะแต่ถ้าจิตเราเป็นอย่างที่เมื่อเมื่อสกลัตมาพูดมาเราจะใจเราจะสบายแล้วเราก็ทํางานไปใจเราก็สบายไปอย่างงี้นะค่ะอ่าพออืออ่าที่เนี่ยแล้วท่านตอบมาอย่างนี้พอพอปิดวิทยุ อย่างเงี้ยแล้วก็ทอดทิ้งธุระที่เนี่ยเครียดละทําใจไม่ได้ค่ะกลัวลูกอืมแต่ละก็ ต่อไปเริ่มมาแล้วเริ่มเคลียร์อะไรอย่างงี้ในลักษณะของอาตมาก็ 3 เดือนแล้วก็พอจะมีศรัทธาศรัทธาจะสนับสนุนที เรียกธรรมะกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่ากําลังของพระเสขะนะกําลังได้บรรลุธรรม<ใช> นะกําลังของ 5 อย่างอันดับแรกคือเรื่องของศรัทธานะศรัทธาอันดับที่ 2 คือเรื่องของหิรินะ 3 คืออตัปปะ 4 คือ 5 คือปัญญานะ 5 อย่างนี้รวม 5 อย่างนี้เต็ม 1 นั้น ในนี้ไม่ไม่มีสติด้วยสมาธินะคุณโยมติวไม่มีศีลด้วยอ่านี่ไงบางคนนะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้สมาธิชั้นก็ฝืนนะอันนี้ ว่าคุณมีคุณน่ะทํา 5 อย่างนี้เนี่ยพระองค์แนว 1 หรือว่าหรือว่าเราก็ตามเนี่ยพยายามที่จะฝืนมา กำลังของเสขบุคคลอีกเหมือนกันแต่เป็นนัยยะที่ นะ, 2 <Okay. S 1> นะเอาหิริอัตตปะ วิริยะละปัญญาปัญญาจะไคลกันจะมาเปลี่ยนที่หิริโอตตปะแล้วสมาธิถูกต้องค่ะเท่ากับว่า ค่ะแต่หิริอุตตปะมาก่อนวิริยะอ่าบางคนเนี่ยรักษาศีลไม่ ภายในนั้นอ่าในหมวดของกําลังของพระเสขค่ะแบบแรกนัยยะที่ 1 ที่ว่าศรัทธา นะสเปคของสติก็คือสติปัฏฐาน 4 นะสเปคของสมาธิก็คือฌาน 4 นะฌาน ถ้าเป็นบุคคลอย่างนี้ได้จะต้องมีองค์ประกอบ 5 ประการใดประการหนึ่งนะ ใช่จนถึงขั้นสูงสุดว่างั้นเถอะหลายอย่างตรงนี้จะต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาในพระพุทธ ก็ทาวกวัธมีในเสียงเหล่านี้ตอบปรึดไปถึงพระอรหันต์ เอ่อทุกดึงไปตามที่ต่างๆ